กูอินนะเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากนะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คนเคารพนับถือมากจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านเป็นพระเมื่อทักสามรอปีที่แล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งก็มาหาท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ พ่อเขาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโรงพับจำนำเอาแต่ทำงานตัวลูกชายก็พยายามชักชวนให้มาสนใจธรรมะมาภาวนาหรือไม่แต่สวดมนต์พ่อก็บายเบียงปฏิเสธบอกว่าทำงานเยอะนะยุ่ง ไม่มีเวลาว่างแม้กระทั่งสวดมนต์สวดมนต์ะที่จริงก็ไม่ได้ยาวอะไรนะไม่เหมือนบ้านเรานะสวดเนี่ยก็คือสวดถึงพระอมิตรภระ พ, พุทธเจ้าก็ไม่กี่ประโยคอะนะไม่ได้ใช้เวลานานเลยแต่พ่อก็บายเบียงปฏิเสธ ก็เลยมาปรึกษาท่านอากุอินนะว่าทำยังไงจะให้พ่อเนี่ยมาสนใจธรรมะมาใส่จากการสวดมนต์เพราะตอนนั้นไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ถือว่าเนี่ยการสวดมนต์นี่มันมันมีอ น, นิสงส์มากนะสามารถช่วยทำให้ไปอยู่แดนสุขาวดนะีหลังตายได้ท่านอากุอิ น, นี่ก็รู้นะว่า วิดาของชายคนนั้นเนี่ยเขาแค่อ้างนะอ้างว่างงานเยอะไม่มีเวลาแม้กทั่งสวดมนต์ที่จึงมันเป็นแค่คำแก้ตัวและท่านก็รู้ด้วยว่าเนี่ยพ่อของชายคนนี้เป็นคนตันหนีสนใจในเรื่องเงินเรื่องทอง ก็เลยไปหาพ่อของชายคนเนี้แล้วก็บอกนะว่าจะขอจ้างนะจ้างว่าเนี่ยถ้าสวดมนต์หนึ่งจบเนี่ยจะให้เงินหนึ่งอีแปะอันนี้เจ้าของลงตำนำเน้ะหูพึงเลยนะเพราะเป็นคนตนหนีอยู่แล้ว ก็ตกปากรับคำเลยได้ได้ไดแล้แกก็สวดมนต์นะสวดมนต์กี่จบก็จดเอาไว้แล้วก็วันแรกนี้ก็มามายืนเลยนะมายืนอบอกจำนวนนะว่าวันนี้สวดได้กี่จบ ถ้าจานทนากรอินก็ให้นะตามที่สัญญาไว้สวนร้อยจบก็ให้ไปร้อยอีกแปะวันที่สองนี่นแจ้กก็สวดอีกนะวันนี้สวดมากกว่าเดิมเพราะอยากได้เงินเสร็จแล้วก็มาบอกทัานากรอินว่าเนี่ยวันนี้สวดได้ร้อยกว่าจบ่ะทนากรอินก็ให้ร้อยกว่าอีกแปะเ ทางนี้ทุกวันนะจนระทั่งวันที่เจ็ดเนี่ยปรากว่าชายคนนั้นเนี่ยเกิดมีสมาธิอาการสวดมนต์มากเพลินด้วยนะเลยลืมนับแล้วก็ลืมนับไม่เป็นไรนะก็วันหลังก็เอาใหม่แต่คนนี้เนี่ย พอสวดไปแล้วเนี่ยเกิดมีสมาธิได้สัมผัสความสงบในจิตใจมากก็เลยสวดใหญ่เลยคราวนี้ไม่สนใจเงินแล้วไม่มาเรียกร้องเอาเงินจากท่านทาวคูอินนต่อไปก็กลายเป็นว่านับแต่นั้นมาเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ใส่ใจกับการสดมนมาก ไม่เป็นหมกมุ่นกับการทำมาหาเงินเหมือนก่อนและภายหลังนี่ก็กลายเป็นอุปถัมภ์คนสำคัญนะของท่านฮากุอินแต่ก่อนนี่งกเงินมากนะแต่ตอนนี้มีเงินเนี่ยก็นำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนนะการเผยแผ่ศาสนาของท่านฮากุอินและตัวเองนี่ก็ ขยันสวดมนต์ด้วยเพราะได้สัมผัสด้วยตัวเองนะว่าเนี่ยใจใจมันสงบนะว่ามันมีคุณค่าวกว่าเงินเยอะเลยจากคนที่ต น, นีนะเห็นแก่เงินนะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นคนที่สนใจการสวดมนต์สนใจาศาสนาสนใจธรรมะท่านก็ฮักกุยงก็ฉลาดนะ ที่จริงเรื่องทำนองนี้เนี่ยก็มีคล้ายๆกันนะในชาวัตธการเนี่ยอนถาถปิกกเศรษฐีเนี่ยตัวท่านเองนี่ก็เป็นโสาบันนะแต่ว่าสอนลูกชายคนหนึ่งไม่ได้ลูกชายไม่สนใจเลยนะธรรมะเนี่ยท่านก็เลยจ้างเลยนะจ้างให้ลูกชายนี่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ที่เชตวันลูกชายก็ไปนะแต่ไม่สนใจไปก็นั่งเมอใจลอยแค่เอาตัวไปแต่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมกลับมาเนี่ยพ่อถามว่าผู้เจ้าสอนว่าอะไรแสดงธรรมอะไรตอบไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่สองสาครั้งเนี่ยสุดท้ายพ่อเลยบอกว่าเนี่ย ถ้าหากว่าจำได้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนใรก็จะให้เงินให้รางวัลเพิ่มก็ดีใจนะลูกชายดีใจนะก็คราวนี้พอไปฟังใหม่เนะี่ยตั้งใจฟังแต่ว่าพระเจ้านีงก็ส่งบันดาล น, นะให้จำเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ก็เลยต้องตั้งใจฟังมากขึ้นเจตนาคืออะไร ก็คือเพื่อที่จะได้ไปเอาเงินจากพ่อแต่พอตั้งใจฟังมากขึ้นเนี่ยจิตใจค่อยๆซึมซับนะน้อมรับเอาธรรมะรากว่าเข้าใจทำแจนแจงตามภาษาตามภาษาผู้ปฏิบัติใหม่นะพอกลับมาเนี่ย แทนที่จะมาขอเงินแบล์แบบมือขอเงินจากพ่อพ่อก็ไม่สนใจแล้วพ่อก็เลยถามว่าทำไมวันนี้ไม่มาเอาเงินลูกชาก็บอกว่าเนี่ยไม่เอาละเพราะว่าซาบซึ้งนะกับธรรมะมากแล้วก็ขอบอกขอบคุณพ่อนะที่ได้มาทําให้ตัวเองได้ไม่เห็นธรรมะจากเดิมเนี่ยนะ ไปฟังธรรมเพราะอยากจะได้เงินแต่สุดท้ายนี่ก็ไม่สนใจเงินลวทีนี้เนี่ยก็สนใจปฏิบัติสนใจฟังธรรมะอย่างจริงจังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะตัณหานะหรือความอยากเนี่ยมันเป็นสะพานนี้พาไปสู่ธรรมะได้ท่านะนฮาวกูอินนี่ก็เฉลยกับนาทิปติกะใช้เงิน จะได้วัาจ้างก็ได้แต่ว่าพอผู้ถูกจ้างเนี่ยนะได้รับได้ริมรสชาติของธรรมะทั้งจากการสวดมนต์แล้วก็จากการฟังธรรมนะก็เกิดความซาบซึ้งนะแล้วก็รู้เลยว่าไอ้เงินนี่มันมันไม่สำคัญเท่าไหร่ ใอ้ตันหาหรือความอยากที่เคยมีมันก็ลดน้อยถอยลงที่จริงพระเจ้าเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะกับลูกพี่ลุกน้องนะคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่านันทะนันทะนี่ก็เป็นเจ้าชายนะในตระกูลศักยะวงศ์ตอนที่พระเจ้าตัดสรุปธรรมใหม่ๆเนี่ยนะ ในเวลาต่อมาพระองค์ก็เสด็จกลับไปเมืองก บ, บิลพัฒน์นะแล้วก็ไปโปรดพระประยุรญาตก็ช่วงนั้นเองเนี่ยเจ้าชายนันทะเนี่ยก็แต่งงานนะกับหญิงสาวคนหนึ่งก็ในวันแต่งงานเนี่ยนะก็มีการนิมนต์รัชนารุจเจ้าเนี่ยไปรับบิณฑบาต พระองค์เนี่ยพอเสด็จภัฒกิจแล้วเนี่ยก็ให้นันทะเนี่ยถือบาดตามพระองค์ไปเจ้าชายนันท h a เนี่ยทีแรกก็นึกว่าพระองค์จะรับบาดคืนไปเมื่อถึงประตูพระราชวังแต่พรเขาว่าพอถึงประตูพระราชวังแล้วเนี่ยก็ยังให้เจ้าชายนันทะถือบาดต่อทั้งที่พิธีแต่งงานนี่นะกำลังจะเริ่ม พระนันธานี่ก็เจ้าชาันธาเนี่ ก, ก็ร้อนใจนะแต่ว่าเกรงใจพระพุทธเจ้านะีไม่กล้ายื่นบาตรถวายพระองค์นะก็เลยต้องเดินถือบาตรตามพระองค์ไปจนถึงนิคโครธารามไปถึงกุฏิของพระพุทธเจ้าเนี่ยคันตูกุฏิเนี่ยพระองค์ก็ยังไม่รับบาตรนะและสุดท้ายนี่พระองค์ก็ตา ก, กับเจ้าชายท้ า, ทาว่า เธอจงมา บ, บรรพชาเถอก็ลงังจะแต่งงานอยู่เรามาล่อแล้วนะแต่ว่าพอพู้เจ้าตัดอย่างนี้เข้าก็ด้วยความยำเกรงนะไม่กล้าปฏิเสธก็เลยยอมนะบวชโกนหัวผมจีวรก็เป็นว่าไม่ได้แต่งงานแล้วนะแต่ว่าใจนี้ก็นึกถึงนางชนบทกรลยานีอยู่ตลอดเวลา ผู้เจ้าเนี่ยพาเสด็จไปตามที่ต่างๆรวมทั้งพากลับไปเชตวันนะพระนันเทายังนึกถึงคู่รักของตัวนะไม่เป็นอันนะปฏิบัติเลยวันนี้ผู้เจ้าทำยังไงนะผู้เจ้าก็เลยสร้างนิมิตนะให้พระนันธาเห็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นต่างๆ เทพธิดาแต่และแต่และคนแต่และคนแต่และรูปนี่สวยงามจดจ้อยสวยกว่านางชบกรกรยานีซึ่งเป็นคู่มั่นนะของพนันธาสินะเกิดความอยากได้ขึ้นมานะเกิดความลหลงใยนะในเทพธิดาเหล่านั้นพระเจ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยถ้าอยากได้เทพธิดาเหล่านี้นะไม่ยากหรอกนะก็ให ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วอยากจะได้เทพธิดาคนไหนก็จะไม่ผิดหวังด้วยความอยากนะพะนันธานเจียก็เลย <c oughs> อยากได้เทพธิดาก็เลยตั้งใจปฏิบัตินะเจริญสมาธิภาวนาบอกว่าเพื่อนพระโดยการพอรู้เนี่ยนะก็พูดจ า, เ, าเข้าหู พนันทาว่าเนี่ยรับจ้างบวชบ้างละหรือบำเพ็ญพรหมจรรย์เพื่ออยากได้เทพธิดาบ้างละพนันท่าจะเกิดความอับอายขึ้นมานะทำไงนะก็อยากกันนั่นเลยนะเราหลีกเล่นไปทำความเพียรให้จริงจังดีกว่าโอ้โหในที่สุดล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลเลยนะตอนนี้เทพธิดา ไม่สนใจแล้วเพราะว่าท่านไปพ้นละอันนี้ก็เรียกว่าละตันหาได้เนี่ยก็เพราะว่ามีตันหาเป็นเป็นแรงจูงใจนะในตอนเริ่มต้นก็คล้ายๆกับสองกรณีนะจากคนที่เห็นแก่เงินนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรงจำนำหรือว่าลูกชายนาธิปิทิกาเศรษฐี มาส่วนม์นก็เพราะอยากได้เงินฟังธรรมก็เพราะอยากได้รางวัลจากพ่อแต่สุดท้ายนี่ก็ไม่สนใจเงินทองแล้วพอได้เข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงอ น, นิสงส์ของธรรมนะที่มันที่ประเสริฐกว่าเงินทองมากพนันท้าก็เหมือนกันนะทำความเพียรก็เพ ร, เพราะอยากได้เทพธิดาแต่สุดท้ายนี่ก็ ควรู้ธรรมความเรียกว่าตัณหาที่เป็นแรงจูงใจให้ทำความเพียรหรือประพฤติปรมจาจัรย์ก็หมดสิ้นไปตัวอย่างที่ว่ามันเนี่ยมันก็ชี้เห็นนะว่าตัณหามันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะจริงๆเนี่ยทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าหาวัรู้จักใช้นะความทุกข์ก็มีประโยชน์นะกิเลส ก, ก็มีประโยชน์ ถ้าว่ารู้จักใช้ครูบาอาจารย์ท่านก็ฉลาดนะหลายท่านก็ท่านก็ใช้ตัณหาเนี่ยเพื่อจูงให้ใครบางคนเนี่ยนะทันมาสนใจธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะบรรเทาหรือว่าขจัดตัณหา ห, หมดสิ้นไปได้ ที่จริงเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์นะมามาล่อหรือมาชวนเรานะโดยอเอาตัณหามาล่อนะในทางที่เราเป็นบุตรชนเนี่ยมันก็ต้องมีกิเลสมีตัณหานะมีมานะมีทิฐิแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าใช้ใช้ให้เป็นเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยเราได้นะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราถูกมันใช้มากกว่าถูกมันใช้เพื่อสนองกิเลสนะเพื่อเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวตนอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะตัวอกุศลอารมณ์อกุศลเนี่ยเช่นความโกรธความเศร้าเนี่ยมันมีความสามารถในการบงการจิตใจของเราได้มากทีเดียวเพื่อ เสริมสร้างความยิ่งใหญ่ของมันใช้เราให้กลายเป็นองค์รักษ์พิทักษ์มันเลยก็มีหรือเป็นบ่อยๆตัญหาก็เหมือนกันนะถ้ามันคลองจิตคลองใจเมื่อไหร่เราก็เสือผู้เสือคนแต่ถ้าหาว่าเรารู้จักใช้มันเนี่ยมันก็สามารถจะพาเราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะได้หรือเข้าสู่นะคุณธรรมเบื้องสูงได้อย่างเช่นนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางที เราตั้งใจนะว่าเราจะเจริญสติทำสมาธิหรือสวนมนต์จะเป็นประจำแต่ว่าปล่อยครั้งก็ทำไม่ได้นะเพราะมันห่วงหรือนึกถึงนะความสุขสนุกสนานที่เคยมีเช่นการดูหนังฟังเพลงการได้เล่นโซเชียลมีเดียทางโทรศัพท์นะถ้าเราปล่อยให้ตัณหาหรือความอยากมันครองใจแล้วก็ไม่เป็นอันทาอะไรนะ ไอการจะภาวนาที่เราตั้งใจไว้ก็เลยเป็นอันทาไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งกติกากับตัวเองว่าเนี่ยวันไหนไม่ทำตามที่ตั้งใจไว้นะเช่นวันไหนเนี่ยไม่จเจริญสติไม่ทำสมาธินะหรือไม่สวดมนต์หรือไม่ฟังธรรมจำนวนเวลาเท่านั้นเท่านี้นะเราก็จะไม่ดูหนังเราก็จะไม่ เล่นโซเชียลมีเดียเราจะไม่จับโทรศัพท์มือถือเลยพอตั้งกติกาตัวแบบนี้นะไอความอยากนะที่อยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะดูดวงซีรีส์อยากจะเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งมันก็เป็นตันหานะไอความอยากแบบนี้มันก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยต้องอต้องภาวนาต้องนั่งสมาธิ เพื่อได้นะดูหนังฟังเพลงตามที่ต้องการตามที่ตั้งกติกาไว้กับตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าใช้ตัณหานะเพื่อเป็นเงื่อนไขนะในการที่ทําให้เราเนี่ยภาวนาได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจําเรียกว่าภาวนาเพราะอยากจะดูหนังถ้าวันไหนไม่ภาวนาก็ไม่ได้ดูหนังถ้าอยากดูหนังอยากฟังเพลง เพื่อต้องภาวนาต้องสวมดมนต์อันนี้พอทำไปทาไปเนี่ยนะถ้าทำถูกนะอันทิ่งส่งของการภาวนาเนี่ยมันทำให้สุดท้ายเนี่ยไม่สนใจเลยนะให้หนังหรือเพลงเนี่ยเพราะว่ามันให้ความสุขเนี่ยไม่เท่าการภาวนา พอภาวนาถูกนะภาวนาต่อเนื่องเนี่ยนะตัราสติเป็นประจำเนี่ยไม่จะเกิดความสงบนะความสงบในใจเนี่ยมันมันประเสริฐนะมันประนีตนะกว่าความสุขจากการดูหนังฟังเพลงนะหลายเท่าทีเดียวแต่คนเราจะถึงภาวะเช่นนั้นได้เนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยตั้นหาเป็นตัวล่อนะ จริงไม่เฉพาะแต่ตันหายเดือนนะตัวมานะหรืออัตตานี่ก็เหมือนกันนะถ้าใช้ให้เป็นเนี่ยมันก็เป็นตัวส่งเสริมการปฏิบัติได้อย่างพระนันธานเนี่ยที่ท่านหันมาสนใจทำความเพียรอย่างจริงจังเนี่ยเพราะว่าท่านถูกเพื่อนพระด้วยกันเนี่ยหยอกล้อค่อนแค้นนะว่าเนี่ย รับจ้างภาวัรับจ้างบวชหรือว่าประพฤติธ ร, รรมจันเพราะหวังเทพธิดารู้สึกเสียหน้านะเกิดสิ่งที่เราขัติยะมานะนะมานะานาเนี่ยมัน เ, เป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะซึ่งอาการของมันคือความรู้สึกเสียหน้าเวลาเรารู้สึกเสียหน้าเมื่อไหร่นะอันนั้นแหละเนี่ยมานะแหละอ่า เพราะนั้นถ้าก็มีอาการแบบนี้นะรู้สึกเสียหน้าขึ้นมาไอ้ตัวนี้แหละคืออัตตานี่มันมันถูกกระทบก็เลยเกิดความตั้งใจว่าฉันจะให้ใครมาดูหมิ่นเยียดยา้มฉันไม่ได้ต่อไปละฉันจะมาภาวนาอย่างจริงจังสักทีบางครั้งคนเราก็ต้องใช้ไอ้ตัวมานาหรือตัวอัตตานะเป็น ตัวกระตุ้นให้ทำความเพียรนะเช่นนะนะบางทีเราเห็นคนแก่หรือเด็กเนี่ยวเขาปฏิบัติจริงจังมากเลยแต่เราเนี่ยมันกับเกียรติคร้านนะไม่เอาจริงเอาจังเห็นเขาทำความเพียรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรามันแข็งแรงกว่าเขานะแลวจะแพ้เขาได้ยังไง พอคิดแบบนี้เข้าเนะี่มันเกิดมานะขึ้นมากระตุ้นให้เกิดความเพียรเกิดความพยายามแล้วคนจะน้อยไม่น้อยเนี่ยมีความเพียรพยายามเพราะอาศัยมานะเป็นตัวผลักดันเราก็เลยเข้าใจว่ามานะแปลว่าพยายามนะแต่จริงๆมานะมันไม่ใช่แปลว่าพยายามนะแต่มันสามารถจะกระตุ้นให้เกิดความเพียรได้เห็นเขาทําได้ดีกว่าเรา เราจะงอมืองอเท้าได้อย่างไรนะเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นคนแก่ไอเราหนุ่มชะกันเนี่ยเขาเป็นเด็กกว่านะเขายังปฏิบัติได้ทั้งคืนไอนเรานี่จะมาหยอแย่ย่อแย่สองสามทุ่มนจะเลิกแล้วไม่ได้นะเราต้องทำให้ไม่ด้อยไปกับเขาอันนี้เรียกว่าอาศัยตัวมานะเนี่ยหรืออัตตาเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้เกิดความเพียร หลายคนก็ใช้ตัวนี้นะกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจในการทําความเพียรจนกระทั่งาสามารถจะรู้ทันตัวอัตตาเพราะเราพอจะเจริญสติอยู่เป็นประจําอยู่บ่อยๆมันก็จะเห็นนะเห็นตัวกิเลสเห็นตัวอัตตามันโผลโผลหน้าขึ้นมาหรือมันชูคอแล้วก็ไม่ยอมที่จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของตัวอัตตาหรือมารณ น, นั้นอันนี้เพราะว่า มีสติเป็นตาในที่ทาให้รู้เท่าทาันอัตตาแต่เดิมเนี่ยนะปฏิบัติก็เพราะแรงผลักของอัตตาแต่ว่าพอปฏิบัติไปเนี่ยก็รู้วิธีที่จะเอาชนะอัตตาได้คนจำนวนไม่ น, น้อยเนี่ยนะที่ทำความดีเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่อยากหรือไม่ยอมหรือไม่กล้าให้คนเนี่ยมาดูถูกไม่อยาก ใ, ใครมาเย็ดยาำนะว่าเป็นคนที่ ไม่เอาไหนเป็นคนที่เอาดีไม่ได้ที่รักษาศีลห้าเพราะว่าถ้าเกิดผิดศีลขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกคนต่อว่าด่าทอไม่อยากเสียหน้าไม่อยากใครมาพูดจาว่ากาแบบนั้นก็เลยตั้งใจรักษาศีลหรือว่าเป็นเพราะอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีความสุขก็เลยหมั่นทาบุญให้ทาน ในความที่อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนใจบุญเนี่ยนะอันนี้มันก็ทําไปด้วยความยึดมั่นในตัวกูอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนสรรเสริญนะก็เลยพยายามทำดีพยายามขยันแต่พอทาไปทําไปนะกิจพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาชนะอัตตาได้นะอันนี้เรียกว่า รู้จักใช้อัตตารู้จักใช้มานะให้เป็นประโยชน์นั่นที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็เพราะว่ามันยังมีความสำคัญบรรหมายในตัวกูกันทั้งนั้นแหละอยากให้ฉันมีความสุขอยากจะให้ฉันเป็นคนที่สงบเยือกเย็นมันยังมีความสาคัญบรรหมายว่าเป็นฉันเป็นฉันอยู่แต่ว่าพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันต้องกล้าไปถึงขั้นที่เรียกว่ารู้ทันนะในความยึดมั่นใน ตัวกูของกูเนี่ยแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาคลองใจถ้าเราไปถึงจุดนั่นได้เนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จ ะ, อ, ะอยู่เหนืออำนาจของตัวกูได้หรือถึงแม้ว่ามันจะยังคลองจิตคลองใจเราอยู่เพราะว่าการที่จะละมารณ์อย่างสิ้นเชิงนี่นะโอ้มัน ม, มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะทำได้นะแม้กระทั่งพระอนาคามีก็ยังมีมารณ์อยู่ เพียงแต่น้อยมากเบาบางมากแล้วปุถุชนอย่างเราเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีเยอะแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้มันเอามันมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในธรรมใช้มานะเพื่อละมานะใช้อัตตาเพื่อละอัตตานี่มันทําได้นะเช่นเดียวกับารใช้ตัณหาเพื่อละตัณหาอันนี้เป็นเรื่องของอุบายนะซึ่งเราต้องอต้องมีแต่เป็นอุบายที่ไม่ใช่กลโลบายนะ แต่เป็นอุบายโกศลคือการรู้จักใช้อุบายเพื่อที่เอาชนะกิเลสแต่ที่มันยังมีอยู่ในใจเรายังยังไม่ยังกลับจับมันไม่หมดก็ต้องรู้จักใช้มันอย่าให้มันใช้เราเท่านี้แหละนะด้วยวิธีนี้นแหละนะจึงจะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมได้ข้ามเนื้อผู้ทนนี้นะ